สำหรับต่อไปนี้ก็จะได้นำอมมหาปฏิปทานนสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรสำคัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนกันบรรดาท่านพุทธบริษัทมาสอนแทนกรรมฐานสี่สิบหรือว่าวิสุทธิมรร ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เป็นการเปลื้งความสงสัยของมบรรดานักปราชห์ทั้งหลายและบรรดาพโยคาวาจรทหลายเมื่อมีคนันหลายเคยคิดจุดเสมอว่าสำหรับพิสุทธิมรตไม่ใช่พุทธพจน์บทพบาลีที่องค์สมเด็จวจินาสีสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเองเป็นเรื่องของพระพุทธโคสาจารย์ แต่ความจริงพระพุทธโคสาจัยก็เป็นอรหันตปฏิสัมมิทายานเมื่อท่านนำมาสอนแล้วก็ไม่ได้ผิดพระพุทธพจน์ทบทพระบาลีในตอนไหนเป็นแต่เพียงว่าท่านเป็นผู้รวบรวมเข้ามาเท่านั้นเพื่อป้องกันความแคลงใจจึงของกรรมฐานสิทสิสส์ไว้ก่อน จะขอนําำมหาสติปัฏฐานนสูตรทั้งสีสี่บับที่เรียกายานุปัสสนามหาสติปัฏฐานหนึ่งเวทนานุปัสสนามหาสติปัฏฐานหนึ่งจิตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานหนึ่งแล้วก็ธรรมานุปัสสนามหาสติปัฏฐานหนึ่งมาสอนกับท่านแนะนํากันกามาสอนและคำว่าแนะนาขอบัรดาท่านหลายโปรดรับทราบ จงอย่าคิดว่าคําสอนทั้งหมดนี้เป็นความรู้ของผมก็ถือว่าความรู้ที่นํามาแนะนํากันนี่เป็นความรู้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วก็จงอย่าถือคณะอย่าถือเพศอย่าถือสายว่าฉันเป็นรูปสิ์ของคนนั้นเป็นฉันเป็นสายของคนนี้นี่มันเป็นเรื่องเขยิ่งเล็ จะเป็นใครก็ช่างถ้าท่านสอนได้แล้วก็สอนเอว่ารธรรมคำสอนสอนพ อ, องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนถือว่าใช้ได้หมดแต่ก่อนนี้ท่านหลายจะศึกษาหรือปฏิบัติในข้อใดในกรรมฐานบทใดก็ตามขอเตือนไว้ว่าจรณะสิบห้าซึ่งเป็นความประพฤติควรจะประพฤติให้ครบถ้วน แล้วก็ใครครวญในบารมีสิบให้เป็นปกติถ้ากำลังใจมันท้อถอยก็ใช้อฏิบัทสี่เข้าควบคุมถ้าเจรณะสิบห้าก็เออสิบห้าก็ดีบารมีสิบก็ดีอารมณ์จิตของท่านบกพร่องก็สแสดงว่าท่านทั้งหลายจะต้องเป็นเหยื่อของอบายภูมิ เพราะว่ามีกำลังใจไม่ครบถ้วนในฐานนะที่เป็นสาคยาบุตรพุทธเจนารจโนระเรียกว่าเป็นผูชนิยบุคคลเพียงแค่มีจรณะสิบห้าครบถ้วนจำบารมีสิบได้ก็ยังดีไม่พอยังจะต้องปฏิบัติสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้ครบถ้วนด้วย <c oughs> ฉะนั้นขอท่านหลายก่อนจะหลับ หรือว่าคำว่าตื่นใหม่ๆจงทบทวนจรณะสิบห้าและบารมีสิบประการว่าสิ่งใดในทั้งยี่ิประการนี้เราบกพร่องบางและก็ตรวจดูอิธิบาตสีว่าเราบกพร่องบางหรือเปล่าถ้าบกพร่องก็แสดงว่าเราเป็นผู้ขาดทุนในวันนั้น แล้วก็ตั้งพยายามตั้งใจรวบรวมกำลังใจรักษาใจด้ว่าคิดว่าจะรักษาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดให้อยู่ครบถ้วนตามกำลังใจของเราให้ได้อย่างนี้จึงจะชื่อว่าเป็นสตร์ขยบุตรพุทธจีนรสและเป็นการสงควรกับคำที่ใช้ว่านิพานาสสัชิกิริยายะเอตังกาสาวังกะเหตวะ ซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดมาเพื่อทำให้แจ้งสิ่งปนิพันธ์หรือกับคำที่ภาษาบุทแนะนำว่าเราบทเพื่อความดับไม่มีเชื้อนี่ต่อไปเราก็หาทางดับกิเลสดับมากไม่ได้เราก็ดับทีละนอ้อยค่อยๆดับ ถ้าเราเค่อยๆดับแล้วก็ดับบ่อยๆกินเหล็ดมันก็ดับหมดไปกันส่วนใดที่ดับไปแล้วก็ให้ดับไปเลยจะไม่เกิดขึ้นมาใหม่ <c oughs> ตอนนี้ไปก็ยังขอเอากรรมฐานมหาเทวฐาน้นสูตรในกายานุปสนาบท้นที่เรียกว่านาปานบํบัเมอกล่าวกับบัรดาท่านทั้งหลายทานี้เพื่อกันความเฝือ เพื่อกันความสงสัยขอบาลีมาให้ฟังก่อนเองกล่าวในตอนนี้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย <c oughs> นี่เป็นจำนวนบาลีอาจจะฟังไม่เข้าใจชัดนักมัอดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายพิสุจย่อมพิจารณาหิ้งกายภายในกายเนียงเลงอยู่อย่างไรเล่ามัอดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ในวัธรรมวินัยนี ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่คนไม้ก็ดีไปพร ะ, ะไปสู่เรือนที่บ้างปลาก็ดีนั่งควบบาลังคือขัดสมาธิตั้งกายให้ตรงตั้งสติไว้เฉพาะนาคือมีสติอยู่เสมอย่อมมีสติแล้วว่าย่อมมีสติหายใจเขา้า ย่อมมีสติให้ใจออกเมื่อให้ใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าให้ใจเข้ายาวหรือเมื่อว่าเมื่อให้ใจออกยาวก็รู้ชัดว่าให้ใจออกยาวให้ใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราให้ใจเข้าสั้นหรือให้ใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราให้ใจออกสั้น ย่อมสำเหนิกอย่านี้ว่าเราจะเป็นผู้กําหนดรู้ตลอดกองลมให้ใจทั้งปวงคือหายใจเข้าย่อมสำเหนิกว่าเราจะเป็นผู้กําหนดรู้กองตลอดกองลมให้ใจทั้งปวงหายใจออกย่อมสำเหนิกว่าเราจะระงับกายสังขารคือลมให้ใจเข้าลมให้ใจออก คือลมอัศสะปัสสะสะที่เรียกว่าลมให้ใจเข้ากับหรือว่าให้ใจออกกันเองย่อมสำเนกว่าเราเจะระงับกายสังขารให้ใจออกดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายแม้อันนี้ฉันใดในแช่งกลึงหรือว่าลูกมือคอนในแช่งกลึงผู้ฉลาดเมื่อชักเชือกลึงยาว ก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราชักเชี่ยกลึงยาวเมื่อชักเชี่ยเกลึงสั้นก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราชักเชี่ยกลึงสั้นดูก่อนวิสุจทั้งหลายพิสุก็ฉะนะ น, นั่นไม่กันเมื่อให้ใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราให้ใจเข้ายาว <c oughs> เนื้อว่าให้ใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราให้ใจออกยาวเมื่อให้ใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราให้ใจเข้าสั้นหรือเมื่อให้ใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราให้ใจออกสั้นย่องสำเนิกว่าเราเจัดเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมให้ใจข้างปวงให้ใจเขา้า ย่อมสำเนีกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมให้ใจทั้งปวงให้ใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารให้ใจเขา้าย่อมสำเนีกว่าเราจะระงับกายสังขารให้ใจออกดังนี้พิสุย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายเป็นไปภายในบ้าง ย่อมพิจารณาให้กายในกายเป็นไปในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาให้กายในกายทั mm ้งภายในและภายนอกบ้างย่อมพิจารณาหินธรรมดาคือความเกิด hmm. ข yeah. mhm. mm ึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาหินธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาหินธรรมดาคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้าง ก็หรือสติว่ากายนี้มีอยู่ข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าจะเธอแต่เพียงสตว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสตว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกนี้ทั้งหมดดูก่อนพิสุทันหลายีิสุย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายเลืองเลืองอย่างนี้ นี่สำหรับในในอาณาปานัมบัพคือการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกตามที่เอาพระบาลีของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาว่ายท่านฟังทั้งนี้ก็เพื่อกันบุคคลทั้งหลายที่จะมาโมยมบอกว่าเรื่องกรรมหานขติปทานน่าสวดกองนี้เนี่ยผมไม่คนตั้งขึ้นเอง ความจริงเรื่องอย่างนี้นะผมตั้งไม่ได้แต่ผมตั้งคันเองสร้างคันเองได้ผมก็เป็นพระพุทธเจ้าได้ถ้าผมเป็นพระพุทธเจ้าได้ผมก็ไม่มา น, นั่งอยู่เวลานี้ให้มันลําบากผมก็ไปนิพพานแล้วสบายถ้าได้ความจริงความรู้ทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ความรู้ของผมเพราะท่านหลายได้โปรดทราบว่าเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้า มีสําหรับในอนาปานุสติและนาปานํมบัพในกายในกายานุปัสสนามหาปฏิปทานี้ถ้าฟังกันดูให้ดีแล้วพระพุทธเจ้าจะสอนทั้งสมถะและวิปัสสนาเข้าใจไว้ด้วยนะในความจริงอานาปานํมบัพนี่เป็นของสําคัญมาก เป็นการทรงอารมณ์ป้องกันความฟุ้งซ่งานของจิตถือใจความสั้นๆพระพุทธเจ้าทรงแนะนาว่าเวลาที่เราให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้ามีสติให้สติก็หมายความรู้อยู่ไม่ลืมเวลาให้ใจออกก็รู้อยู่ว่าให้ใจออก เวลาให้ใจเข้ายาวหรือสั้นเวลาให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่เอ็ง่ด้บอกว่าเราจะเป็นผู้มีสติรู้กองลมให้ใจเข้าให้ใจออกทั้งหมดหมายความว่าลมที่ให้ใจเข้ายาวเท่าไหร่เราก็รู้หรือว่าสั้นเท่าไรเราก็รู้ให้ใจออกยาวหรือสั้นเท่าไรเราก็รู้ เป็นอนุว่าให้ทรงกําหนดเอาจิตเข้าไปจับลมให้ใจเข้าหายใจออกไว้ให้เป็นปกติเมื่อเราสามารถทรงอารมณ์รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกได้เป็นปกติก็ชื่อว่าจิตเราทรงสมาธิแต่ว่าท่านหลายเรื่องอนนาปานุสติกรรมาฐานเป็นการป้องกันอารมณ์พ้องสร้างของจิต ถ้าเราพูดกันก็เห็นว่าจะเป็นของไม่ยาก <c oughs> แต่เวลาที่ปฏิบัติจริงๆก็ไม่ยากแต่ว่ามันไม่ง่ายทั้งนี้พ่อได้เพราะว่าจิตของเรามีสภาพครบกับข้ออารมณ์ที่ฟุ้งซ่านมาสินานรับนับเป็นแสงแสงกับแล้วไปสง่งไข้สงขัยกับ แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาตินี้ท่านชาติเราปล่อยเวลาให้ร่วงเลยมาตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้กี่วันแล้วเราก็ไม่เคยควบคุมอารมณ์ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเลยรวมความว่าเราไม่ยอมใช้สติสมะชัญญาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เรามีกันอยู่เป็นปกติถ้าขาดเมื่อไรมันก็ตายเมื่อนั้นไม่ต้องถือว่าเป็นการเว้นสั ก, กวรนสองวันล้วจะเว้นแค่ช่ชวงขนาดหนึ่งมันก็ไม่มีเป็นอนารมณ์ลมหายใจเข้าหายใจออกที่มีอยู่กับร่างกายของเราอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าว่าเราไม่เคยสนใจ ทางนี้ก็เพราะว่าเราเป็นคนมีสติหยาบม่อารมณ์หยาบไม่สนใจอารมณให้ใจเขาออกซึ่งมีความสำคัญนี่องค์สมเด็จประททสกพระทรงท่านยังแนะนำใหม่ให้ใช้อารมณ์ให้มันดีขึ้นคนือบางทีท่านหลายจะไม่คิดว่าเขามันให้ใจเขามันอยู่แล้วจะไปรู้มันทำไม นี่เรารู้เพื่อเป็นการทรงสติสัมปชัญญะให้มันดีแล้คนใดถ้ามีสติสัมปชัญญะสมรรถกาหรือว่ามีสติสมบูรณ์แบบคนนั้นเขรียกกัว่าพาระอรหันต์นี่พระพุทธเจ้าที่สอนให้เรากําหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเพให้สติจับอยู่ว่าเวลานี้เราให้ใจเขา้า เวลานี้เราให้ใจออกเราให้ใจเข้ายาวหรือสัน้นเราให้ใจออกยาวหรือสัน้นก็เพื่อให้เราฝึกการทรงสติให้สมบูรณ์นั่นเองเพื่อความเป็นพาระลาหน์นี่ความสำคัญในเวลาฝึกมันไม่อยู่ว่าเวลาทำจริงๆในด้านานาฬิานุสติกรรมฐานนี่เป็นของหนะัก อาตมาเองก็รับรองว่านักแต่ถ้าว่าถ้าเราไม่ทิ้งวิทยาอุสาหะก็เห็นว่าไม่หนักเหมือนกันวิธีที่เราจะทำเราจะบังคับจิตให้มันทรงอารมณ์เป็นสมาธิรู้ลมเข้าลมออกตลอดเวลาเนะี่ยมันไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีผ่อนสั้นผ่อนยาว ยังตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตรัสเหมือนกับเราฝึกมาพยศตามธรรมดามาที่มีกำลังกล้ามีความดื้อถ้ามันไม่พยศเราก็บังคับมันได้ใช้มันได้สะดวกเวลาที่มันพยศขึ้นมาจริงๆ มันไม่เอาไหนบังคับมันไม่ได้กำลังมันก็ดีเราก็สู้มันไม่ได้นี่เรื่องอารมณ์พุ่งไส้ของจิตที่จะบังคับด้วยอนาปานุสติก็เช่นเดียวกันต่กล่าวว่าในขณะใดเมื่อพบอาการประโยชน์ของอนาปานุสติเข้าคือสติไม่สามารถจะคุมอยู่ท่านแนะนำไว้สองทีว่าถ้าไม่ไหวจริงๆให้พักซื้อก่อน นอนให้สบายแล้วเที่ยวให้สบายจิตใจมันจะคิดยังไงปล่อยมันไปตามอารมณ์อย่าฝืนถ้าไม่ไหวจะฝืนถ้าฝืนเป็นบ้าแน่แล้วจะมาโทษจะไม่ได้จะเป็นโรคประสาทได้แนะนํากันมาแล้วว่าส่วนสุดสองอย่างที่เรียกว่าอัตกิลมัฐานนโยกจงอย่ามีในคณะของเราถ้าใครต้องเสียสติมีเป็นโรคประสาท ว่าจะเริยกรรมฐ า, านผมจะไม่รับรองไม่รักษาไม่ยุ่งโดยเด็ดขาดพอเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตามอยากจะบ้าก็เชิญบ้าไปจะไม่ยอมรักษาไม่ยอมเกี่ยวข้องแนะนำแล้วมันหนักมันไม่ไหวก็เลิกพักเรายังมีวันมีเวลาเมื่อรสงสบายก็มาเริ่มใหม่ เวลาเริ่มก็อย่าใช้เวลาให้มากนะจะเวลาในน้อยกะเอาชนะเป็นสําคัญคําว่าชนะก็หมายความใช้เวลาให้น้อยในชั่วระยะเวลาหน่อยๆเราจะพยายามรู้ลมเข้าลมออกรู้ลมสั้นลมยาวใช้เวลาให้สั้นในเวลานั้นจะไม่ยอมให้จิตฟุ้งซ่านเด็อดขาดย้ายทรงอยู่ตามอารมณ์ที่เราต้องการ ถ้าถ้ามันเป็นไปโดยสะดวกไปได้ก็บังคับมันนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าถา้าบังคับไม่ได้จริงๆเหมือน็มาปะย์ก็กอดคอมันถือแท้ไว้ปล่อยมันวิ่งไปจับบางเหียนมันเข้าไว้ปล่อยให้มันวิ่งไปตามอิตยาสัยมันวิ่งไปวิ่งไปพอหมดแรงไม่สามารถจะประยยชน์ดได้แล้วก็บังคับให้เขาจุด ตามทางที่เราต้องการได้ข้อนี้มีประมาณชั้นใดไม่จิตสร้างก็เหมือนกันถ้าสร้างจริงๆเอาไว้ไม่ไหวก็คิดปล่อยมันยาจะคิดอะไรก็เิยคิดเคยฝึกมาแล้วเคยทดลองมาแล้วมีผลดีมากมันจะคิดจริงๆก็ไม่เกินยี่สิบนาทีไม่เคยถึง พอมันเลิกคิดตอนนี้เราเริ่มจับลมหายใจเราออกมาจะทรงเป็นฌานดิ่งมีอารมณ์สงบสงัดนอนยังตั้งครึ่งชั่วโมงค้อนชั่วโมงแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงมันยังไม่ถอนตัวและกา ร, รนี้การทรงอารมณ์ดีของจิตในด้านสมถะภาวนาก็จงอย่าถือว่ามันจะดีเสมอไป บางวันก็ดีบ้างบางวันก็เลวบ้างนี่เป็นของธรรมดานี่เป็นว่าในเรื่องของอนาปาณาบบในด้านสมถะภาวนาก็ไม่มีอะไรมากนี่ท่านแนะนำไปถึงเท่านี้ก็อธิบายมากพอจะเข้าใจก็ขอให้ตั้งใจฝึกกันให้ได้ก็แล้วกันตอนนี้มาในตอนท้าย ท่้ควบวิปัสนาญาณไม่ด้วยเมื่อเราทรงอารมณ์ในด้านอนาปานุสติกมาฐานพรอมมีจิตสบายตามสมควรคือมีสภาวะทรงอยู่ในบ้างเราก็มาพิจารณาในด้านวิปัสนาญาณให้กล่าวว่าพิสุทัหลายย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้าง ย่อมพิจารณาให้กายในกายเป็นภายนอกบ้างนี้หมายความว่าพิจารณากายเราเองบ้างพิจารณากายบุคคลอื่นบ้างย่อมพิจารณาให้กายในกายทั้งภายในและภายนอกคือพิจารณากายเราด้วยพิจารณากายบุคคลอื่นด้วยเปรียบเทียบกันน้อมเข้ามาว่ามันมีสภาพเหมือนกัน ให้กลาวว่าย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นบ้างว่าตามธรรมดาร่างกายของคนเรารืสัตว์มันก็มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นต น, นี่เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายล้วต่อไปท่านบอกว่าย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้าง นี่ให้เราใช้ปัญญาหาความเป็นจริงว่าร่างกายเนี่ยมันมีสภาพไม่ทรงตัวม่นมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปถ้าดูร่างกายของเราไม่ถนัดก็ดูร่างกายชาบ้านที่วเกิดก่อนเราหรือว่าเกิดพร้อมเราหรือว่าเกิดทีหลังเรา ว่าร่างกายมันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างหลังจากความเป็นเด็กเล็กมันก็มาเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่ก็มาเป็นหนุ่มเป็นสาวจากเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มาเป็นคนแก่นี่มันเป็นธรรมดาร่างกายมันเสื่อมไปเป็นปกติอย่างนี้เป็นของธรรมดา ที่ถือว่าให้ถือว่าเป็นธรรมดาก็หมายความมาไม่ยึดมั่นเหมืนว่าเราจะต้องเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องเป็นหนุ่มเป็นสาอยู่ตลอดเวลาถ้าว่าอย่างไงมันจะต้องเดินก็ไปหาความเสื่อมหาความสลายตัวเป็นปกติแล้วกล่าวต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาว่า คือมันมีทั้งความเกิดขึ้นแล้วก็มีทั้งความเสื่อมไปภายในกายนี้บ้างหรือว่ามีสติียกว่าหรือว่ามีสติว่ากายนี้มีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแต่เธอเพียงแต่สัตวแต่ว่ารู้อยู่อันนี้หมายความว่าไอ้ ก, การที่มีร่างกายเนี่ยจะเป็นกายเราก็ดีกายเขาก็ดี <c oughs> เป็นกายที่บุคคลเลื่อนที้งกันคือกายเราผู้เป็นสามีกายเขาที่เป็นพัญญาทิ้กายเราผู้เป็นพัญญากายเขาซึ่งเป็นสามีกายของเขาที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นลูกเป็นหลานเป็นเลนเป็นเป็นเพื่อนทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดมีสภาพเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเสื่อมไปเป็นปกติ แล้วท่านแนะนําว่าเธอจงยาวจิตเข้าไปติดในกายนั้นให้พิจารณาว่าไอ้ร่างกายทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่ที่เกิดขึ้นจะเพราะหน้าเราที่เรามองเห็นอยู่ก็สักแต่ว่าเห็นเท่านั้นถือว่าอาจิตอยาวจิตใจเข้าไปผูกไปพันมันอย่าไปยึดถือว่ามันจะเป็นเราจริงเป็นของเราจริง ว่าเราจะต้องอยู่กับมันมันจะต้องอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยท่านว่าอย่างนี้นะจำมาให้ดีว่าเราจะต้องไม่ยึดถือว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยเรามีความรู้สึกว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เสื่อมไปในที่สุดเราจะไม่เอาจิตไปคิดว่าเราจะอยู่กับมัน เราจะมีความรู้สึกว่าไอ้ร่างกายประเภทนี้มันก็สักไต้เพียงแค่มีขึ้นมาเท่านั้นแล้วไม่ช้ามันก็ต้องสลายตัวไปท่าว่าอย่างไงต่อไปท่านบอกว่าเพียงแต่สักแต่ว่าร่างกายเป็นที่อาศัยเป็นที่ระลึกย่อมไม่ติดจูนด้วย ให้มีความรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยเป็นที่อาศัยของจิตชั่วคราวเท่านั้นเราจะไม่ติดอยู่ในมันตลอดการตลอดสมัยเป็นวางภาระในร่างกายเสียนี่เป็นนี่เป็นสกายติติสกายติตินะตัวนี้นะตัวตัดความเข้าถึงความเปร า, หารหันและเน้นกล่าวแต่ว่าย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกนี้ด้วย นี่หมายความว่าในเมื่อเราไม่ยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วขอในโลกนี้ทั้งหมดไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามเราก็ไม่ถือว่าอะไรมันเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ถือว่าเป็นทรัพย์เป็นสิ่งของเราเราจะมีสิทธิใช้มีสิทธิบังคับมี อำนาจเป็นเจ้าของมันก็เฉพาะขณะที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นใ น, นเมื่อเราตายไปแล้วเราก็หมดสิทธิที่จะต้องใช้มันท่านกล่าวปว่า ด, ดูก่อนพิสูุ์ทั้งหลายพิสูจนย่อมพิจรารณาให้กายในกายเ น, นืองเมืองอย่างนี้ผมก็ขอแถมอีกนิดว่าหากว่าท่านหลายพิจรารณาอยู่ทั้งหลายอย่างนี้ไปเรื่อยๆ คำว่าหนึ่ ง, งเลมหมายความเป็นปกติไม่ขาดสายจิตใจของเราก็จะหมดจากความรู้สึกที่ติดอยู่ในความโลภที่ติดอยู่ในความรักติดอยู่ในความโกรธติดอยู่ในความหลงเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราโลภมันก็เป็นวัตถุของโลกที่เรารักมันก็เป็นวัตถุของโลก ที่เราว่าโกรธก็เรื as as <lawsuit> royable, ่องจากวัตถุของโลกซึ่งมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่เราหลงก็มันเป็นวัตถุของโลกไม่เมื่อวัตถุทั้งหลายซึ่งมีร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาบุคคลอื่นก็ดีและวัตถุทั้งหลายอย่างอื่นก็ดีซึ่งเราไม่ติดมันเสร็แล้วความโลภมันก็หมดไปความรักมันก็หมดไปความโกรธมันก็หมดไปความหลงมันก็หมดไป นี่เป็นอมตองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมาสสันดาสมมาสมุทธเจ้าทรงสอนแนอนาปานุสติกรรมฐานอย่างเดียวขึ้นต้นด้วยสมถะแล้วก็จบด้วยอำนาจวิปาาัสนาญาณถ้าบรรดาทุกท่านใช้กำลังจิตอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าจะเลยเป็นแค่อนาปานุสติกรรมฐานอย่างเดียวก็เป็นอาราหันต์ได้ ให้เาบรรดาพระายุคาวจรทั้งหลายเวลาที่จะคุยกันแนะนํากันก็หมดเสร็จแล้วต่อที่นี้ไปก็ารัดาสาวกขององค์สมเด็จพระบพิธีแก้วจงตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มัน่นยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้แน่งก็ได้ตามอัติยาใสจงพิจารณาไปตามพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดา จะเป็นไปตามแนวของพระรวัติหรือว่าตามแนวนมหามมแนวมหาติปทานาสัตรที่กล่าวมาในอนาปานนับบก็ได้เป็นไปตามความประสงค์จนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นสมควร